มาตรฐานแห่งความดีความชั่วอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วเป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ซึ่งนักปราดทาานี้ได้ถกเถียงกันเป็นอันมากและตกลงกันไม่ค่อยได้เพราะมีขอบเขตกว้างขวางมากอะไรคือคุณธรรมก็เป็นปัญหาที่ตอบยากเช่นเดียวกันนักปราดทั้งหลายแม้เป็นถึงศาสดาผู้ตั้งศาสนาที่มีคนนับถือทั่วโลก ก็ยังบัญญัติคุณธรรมไว้ไม่ตรงกันยิ่งหย่อนกว้างแคบกว่ากันความชั่วกับความผิดเป็นอันเดียวกันหรือไม่ความดีกับความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันหมายความว่าความถูกต้องอาจไม่เป็นความดีเสมอไปหรืออย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาทางจริยศาสตร์เช่นเดียวกันคนส่วนมากมักถือเอาความสุขความสมปรารถนาในชีวิตประจาวัน เป็นมาตรฐานวัดความดีคือความดีต้องมีผลออกมาเป็นความสุขความสมปรารถนาเป็นลาบยศสันเสริญสุขส่วนความชั่วต้องมีผลตรงกันข้ามแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่แน่เสมอไปดังได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยผลภายในผลภายนอกที่ว่านี้หมายถึงผลของกรรมนั้นโดยตรงในแง่ของพระพุทธเจ้าทรงให้แนวคิดไว้ว่า กรรมใดทําแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นดีบุคคลทำำํากรรมใดแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีตามแง่นี้เราจะมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนทําชั่วบางคนได้รับความสุขเพราะการทําชั่วนั้นในเบื้องต้นถ้าเขาเพลิดเพลินในการทําชั่วนั้นต่อไปไม่รีบเลิกเสียเขาจะต้องได้รับความทุกข์ในตอนปลายส่วนคนทําความดีบางคน ได้รับความทุกข์ในเบื้องต้นแต่ถ้าเข้ามั่นอยู่ในความดีนั้นต่อไปไม่ยอมเลิกทำความดีเขาย่อมจะได้รับความสุขในเบื้องปลายตรงกับข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อกำชั่วยังไม่ให้ผลคนชั่วอาจเห็นกำชั่วเป็นกำดีแต่เมื่อกำชั่วให้ผลเขาย่อมเห็นกำชั่วว่าเป็นกำชั่วส่วนคนดีอาจเห็นกำดีเป็นกำชั่วเมื่อกมดียังไม่ให้ผล แต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขายอมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีโดยไ ny ะดังกล่าวนี้ถ้ามองกรรมและผลของกรรมในสายสั้นอาจทำความไข้เข๋บ้างในบางเรื่องแต่ถ้ามองในสายยาวจะเห็นถูกต้องทุกเรื่องไปความเป็นไปในชีวิตคนเป็นปฏิกริยาแห่งกรรมของเขาทั้งสิน้นถ้ามองในสายสั้นก็จะยังไม่เห็น แต่ถ้าเรามองเหตุผลสายยาวก็จะเห็นทฤษฎีเรื่องการเกิดใหม่อันเป็นเหตุผลของกรรมในสายยาวจึงต้องควบคู่กันไปกับเรื่องกฎแห่งกรรมแยกจากกันไม่ได้เพราะถ้าแยกจากกันเมื่อไรบุคคลก็จะมองเห็นเหตุผลในเรื่องกรรมเพียงสายสั้นเท่านั้นสมมติว่าวันหนึ่งเป็นชาติหนึ่งเหตุการณ์ในวันนี้อาจเกี่ยวโยงไปถึงเหตุการณ์ในอีกร้อยวันข้างหน้า เหตุการณ์เมื่อร้อยวันก่อนอาจเกี่ยวโยงมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้ในทำนองเดียวกันเหตุการณ์เมื่อพันชาติมาแล้วอาจมาเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ในชาตินี้คนสามัญอาจงงแต่ท่านผู้ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเรารู้ว่าเมื่อยี่สิบปีก่อนเราเรียนหนังสือมาอย่างไรเราจึงมามีความรู้อยู่อย่างวันนี้ ในเหตุผลสายสั้นคนขโมยเงินย่อมได้เงินเงินมันไม่ได้ทักทวงใครว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วถ้ามองการเพียงวันเดียวอาจเห็นการขโมยเป็นทางดีเพราะได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยหาความสุขความสำราญได้แต่ผลที่ตามมาอีกชั้นหนึ่งคือความเดือดร้อนใจของผู้ขโมยนั่นเองซึ่งจะต้องมีอยู่อย่างแน่ๆไม่ต้องสงสัย และถ้าเจ้าซับหรือตำรวจจับได้เขาต้องได้รับโทษตามกฎหมายอาจติดคุกหรือถูกประหารชีวิตบางทีในขณะที่เขาได้รับโทษนั้นเขากำลังประกอบกรรมดีบางอย่างอยู่ระยะเวลาห่างจากวันที่เขาขโมยถึง250หรือส0 0อวันหรือสองสปีก็ได้ 9-10 ปีก็ได้นี่คือตัวอย่างที่พอมองเห็นกันได้อันหนึง่ง ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลในทางดีหรือไม่ดีทางเกื้อนหนุนหรือเบียดเบียนตัวเ้าเองนั่นแหละเป็นคนรู้เพราะความเกี่ยวข้องเหล่านั้นถูกเก็บรวบรวมไว้ในวิญญาณอันท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรตราบเท่าที่กเกลียดยังมีอยู่เมื่อเจอกันเข้าในชาติใดาชาติหนึ่งความรู้สึกของวิญญาณย่อมบอกให้เรารู้ว่าเคยเป็นมิตรเป็นศัตรูกันมาอย่างไร มาตรฐานเครื่องตัดสินกรรมดีกรรมชั่วอีกอย่างหนึ่งตามแง่ของพระพุทธเจ้าคือกรรมใดทำแล้วทำให้กิเลสพ่อปูนขึ้นกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วส่วนกรรมใดทำแล้วเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสทําให้กิเลสเบาบางลงกรรมนั้นเป็นกรรมดีกล่าวให้ชัดอีกหน่อยหนึ่งว่าทำอย่างใดพูดอย่างใดและคิดอย่างใด ทำให้โลภโกรธหลงเพิ่มพูนขึ้นในสันดานหรือในจิตอันนั้นเป็นกรรมชั่วส่วนกรรมดีก็ตรงกันข้ามมาตรฐานนี้ค่อนข้างสูงหน่อยพ้นจากสำนึกของคนสามัญกล่าวคือคนทั่วไปไม่ค่อยดึกในแง่นี้เมื่อเอาลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปประการมาพิจารณาก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นว่ามาตรฐานแห่งความดีของพระพุทธองค์นั้น อยู่ที่การลดโลภโกรธหลงยิ่งลดได้มากเท่าใดยิ่งดีมากเท่านั้นลดได้หมดเกลี้ยงก็ดีถึงที่สุดทรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการแก่พระนางมหาประชาบดีภิกษุณีไว้ดังนี้ธรรมใดเป็นไปเพื่อหนึ่งความกำหนัดหรือสราคะ 2. การประกอบตนอยู่ในทุกข์หรือสังโยคะ สสะสมกิเลสหรืออาจญยะ 4. ความมักใหญ่อยากใหญ่หรือมหิตชตา 5. ความไม่สันโดษหรืออสันตุทิตา 6. ความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหรือสังคณิกา 7. ความเกียดคร้านหรือโกสัจชะ 8. ความเลี่ยงยากหรือทุภะภราตาทั้งแปดนี้พึงทราบเถิดว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัย ไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาส่วนธรมใดเป็นไปเพื่อ 1. ความคลายกำหนัดหรือวิราคะ 2. การไม่ประกอบตนไว้ในกองกิเลสหรือวิสังโยคะ 3. การไม่สะสมกองกิเลสหรืออปัจจยะ 4. ความปรารถนาน้อยหรืออภิจชตา 5. ความสันโดษหรือสันตุทิตา 6. การไม่คุกครีด้วยหมู่คณะหรืออสังคณนิกา 7. ความไม่เกียดคร้านคือความเพียรติดต่อสม่ำเสมอหรือวิริยารมภา 8. ความเลี่ยงง่ายหรือสุภรตาพึงทราบเถิดว่าทั้ง8นี้เป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคำสอนของพระาศาสดาเมื่อเอาลักษณะทั้ง8ประการนี้มาตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรเว้นอะไรควรทาแล้ว จะเห็นว่ามาตรฐานแห่งกรรมดีของพระพุทธองค์นั้นอยู่ในระดับสูงและเป็นการแน่นอนว่าความดีเช่นนี้ย่อมมีจุดจบในตัวเองคือไม่ใช่ความดีเพื่อลาบยศชื่อเสียงหรือเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นแต่เป็นความดีเพื่อความดีความดีเพื่อพ้นจากความวนเวียนในสังสารวัตรเขาถือว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนั้น แม้จะเกิดดีเพียงไรก็ยังเจืออยู่ด้วยทุกข์ต่างกันแต่เพียงรูปแบบของความทุกข์เท่านั้นแต่ในเนื้อหาแล้วเป็นความทุกข์เหมือนกันเช่นชาวนาก็ทุกอย่างชาวนาพ่อค้าข้ า, ข า, ขาราชการพระมหากษัตริย์พระสงฆ์ล้วนแต่ต้องทุกข์ในรูปแบบของตนของตนในความหมายอย่างสูงที่ว่าความดีเพื่อความดีนี้ทาให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น ซึ่งพระพุทธภาสิทธิที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกัลยานาการีกาลยานงางปาปการีจัป่าประกังการทำดีคือการกระทำที่ประกอบด้วยคุณธรร ม, มเช่นเมตตากรุณาความเสียสละความวอ้วเฟือเป็นต้นสิ่งที่เขาจะได้รับอย่างแน่นอนคือคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาทำนั่นคือการได้ดี ใจของเขาย่อมสูงขึ้นสะอาดสว่างขึ้นตามสัดส่วนแห่งคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นเสียงสรรเสริญก็ไม่ใช่เครื่องวัดความดีที่แน่นอนเสมอไปในหมู่โจรย่อมสรรเสริญโจรที่เก่งกล้าอันพานที่สามารถคุมอันพานด้วยกันได้ย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากกลุ่มอันพานด้วยกันบัณฑิตย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากหมู่บัณฑิตแต่ได้รับเสียงตีเตียนจากหมู่คนพาน ด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับสรรเสริญจึงต้องพิจารณาดูก่อนว่าใครเป็นผู้สรรเสริญถ้าบัณฑิตสรรเสริญก็เชื่อได้ว่าเสียงสรรเสริญนั้นมาจากคุณธรรมหรือการทำความดีการทำชั่วคือการกระทำที่ร้ายคุณธรรมที่ว่าได้ชั่วก็เพราะมีนิสัยชั่วเกิดขึ้นในจิตถ้าทำบ่อยๆนิสัยชั่วก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ จนเกาะแน่นเป็นลักษณะนิสัยของผู้นั้นยากที่จะแก้ไขได้เหมือนดินพอกหางหมูความชั่วหรือนิสัยชั่วที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆนั้นย่อมชักนำเขาไปในทางที่ชั่วในที่สุดเขาก็จะพบกับหายนะอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะวิบากชั่วซึ่งแฝงอยู่ในจิตของเขานั่นเองจะคอยกระเส็บกระตุน้นเตือนให้บุคคลผู้นั้นคิด พูดกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะนำไปสู่ผลร้ายคือทำให้เขาตัดสินใจผิดก้าวผิดเมื่อถึงคราวที่กรรมจะให้ผลเพราะวิบากแก่กล้าสุขรอบแล้วนั้นแม้คนมีปัญญาก็อาบปัญญาซึ่งท่านเปรียบว่านกแรง้งมีสายตาไกลาสามารถมองเห็นซากศพได้เป็นร้อยร้อยโยชน์แต่พอถึงคราวเคราะห์คือถึงคราวกรรมจะให้ผลบวงอยู่ใกล้ก็จะมองไม่เห็น เดินเข้าไปติดบ่วงจนได้ตรงกันข้ามถ้าถึงคราวกรรมดีจะให้ผลวิบากแห่งกรรมซึ่งสั่งสมอยู่ในจิตย่อมบันดาลให้เขาทำพูดคิดไปในทางที่ถูกอันจะนำไปสู่ผลดีอันนานพิจารณาในแง่นี้แล้วควรเว้นกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีเพื่อจะได้มีวิบากอันดีอยู่ในจิตนี่คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วย้ำอีกทีว่า คนประพฤติกระทำอย่างใดย่อมได้ความเป็นอย่างนั้นขึ้นในตนเช่นหัดเป็นโจรเป็นนักเลงย่อมได้ความเป็นโจรเป็นนักเลงขึ้นในตนหัดเป็นคนดีในทางไหนย่อมได้ความเป็นดีในทางนั้นขึ้นในตนด้วยเหตุนี้คนที่มีความปรารถนาจะเป็นอย่างใดแล้วเริ่มหัดประพฤติกระทำอยู่เสมอเสมอเขาย่อมได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง เร็วหรือช้าสุดแล้วแต่คุณสมบัตินั้นจะสุกรอบหรือแก่กล้าเมื่อใดนี่คือคำอธิบายพระพุทธภาสิต ท, ที่ว่าบุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นย่อมต้องรับมรดกแห่งกรรมนั้น